ในคำพีมหานิเทศและยุนานิเทศบางแห่งแสดงชื่อทุกข์ไว้อีกเป็นอันมากมีทั้งที่ซ้ำกับที่แสดงไว้แล้วข้างต้นและที่แปลกออกไปขอยกมาจัดเป็นกลุ่มๆให้ดูง่ายดังนี้ทุกกลุ่มกอชาติทุก์จราทุกพยาทิทุกมรณะทุกโสกะปริเทวะทุกขะโทมรัสสะอุปายาสทุก ทุกกลุ่มขอเนรยิกทุกข์ทุกของสัตว์นรกติรชานโยนิกทุกข์ทุกขของสัตว์ดิรชานปิติวิสยิกทุกข์ทุกขของสัตว์ในแดนเปรตมนุษย์กทุกขทุกขของมนุษย์ทุกกลุ่มคอคัพโพกกันติมูลกะทุกขทุกขเกิดจากการลงเกิดในคันคัพเพติติมูลกะทุกขทุกขเกิดจากการอยู่ในคัน ขับพระวุฒนานะมูลกทุกขทุกขเกิดจากการออกจากคันชาตัดสูปะนิพพานที่กระทุกขทุกติดพันตัวของผู้ที่เกิดแล้วชาตัดสะปราเทยกระทุกขทุกเนื่องจากต้องขึ้นต่อผู้อื่นของผู้ที่เกิดแล้วอัตโตปักกรรมทุกขทุกที่ตัวทํำแก่ตัวเองปรูปักกรรมทุกขทุกจากคนอื่นทําให้ทุกกลุ่มงอ ท, ทุกขุกสังขารทุกวิปริณามทุกทุกกลุ่มจอโรคต่างๆเช่นโรคตาโรคหูเป็นต้นรวมสาสห้าชื่อทุกกลุ่มฉออาพาธคือความเจ็บไข้ที่เกิดจากสมุดฐาน8อย่างคือสมุดฐานที่หนึ่งดีสมุดฐานที่สองเสมหะสมุดฐานที่สามลมสมุดฐานที่สี่ สมุดฐานต่างๆประชุมกันสมุดฐานที่หอุตุแปรปรวนสมุดฐานที่6บริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอสมุดฐานที่เจถูกเขาทาเช่นฆ่าและจองจำเป็นต้นและสมุดฐานที่8ผลกรรมทุกกลุ่มชอหนาวร้อนหิวกระหายอุจจาระปัสสาวะ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 ในมหาทุกขขักขันทสูตรและจุลทุกขขักขันทสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงทุกขขันคือกองทุกต่างๆมากมายซึ่งเป็นปัญหาแก่มนุษย์สืบเนื่องมาจากกามโดยสรุปทุกขขันหรือกองทุกเหล่านั้นได้แก่ก็กรความลำบากตรากตราเดือดร้อนตลอดกระทั่งสูญเสียชีวิตเนื่องมาจากประกอบการงานหาเลี้ยงชีพก็ขอ ความเศร้าโศกเสียใจในเมื่อเพียรพยายามในการอาชีพแล้วโภคะไม่สำเร็จผลก็ค อ, อแม้เมื่อโภคะสำเร็จผลแล้วก็เกิดความทุกข์ยากลำบากใจในการที่ต้องคอยอารักขาภกกรพสับก<อ>็งอความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสูญเสียภกกระสย์นั้นไปอารักขาไว้ไม่สำเร็จเช่นถูกโจนปล้นไฟไหมก็จอ การทะเลาะวิวาทแก่งแย่งทำร้ายกันถึงตายบ้างถึงทุกปางตายบ้างระหว่างราชากับราชาบ้างข้าเรือหัป บ, บดีกับข้าเรือหัป บ, บดีบ้างแม้กระทั่งระหว่างมารดาบิดากับปุตพี่กับน้องและเพื่อนกับเพื่อนข้อฉอการทำสงครามประหัดประหารกันระหว่างหมู่ชนสองฝ่ายในสมรภูมิซึ่งต่างพากันล้มตาย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 เหมือนอย่างในมหาทุกขขักขันทสูตรและจุลักทุกขขักขันทสูตรข้างบนนี้โดยไม่เรียกชื่อทุกข์ไว้โดยเฉพาะบางแห่งก็ระบุชื่อทุกข์เฉพาะอย่างลงไปเช่นสังสารทุกข์อบายทุกข์วัตถมูลกทุกข์อาหารปริยติทุกข์ทุกในการแสวงหาอาหารหรือทุกเกิดจากการหากินเป็นต้นในหนังสือธรรมวิจารณ์ของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชัชยรยานมารรโรถหน้าสิบสามถึงสิบเจ็ดทรงประมวลทุกชื่อต่างๆจากหลายแหล่งมารวมไว้สิบอย่างบางอย่างทรงตั้งชื่อเรียกใหม่ให้เป็นพวกพวกกันมีดังนี้หนึ่งสภาวะทุกข์คือทุกประจําสังขารคือชาติจรามรณะสองปกินนกะทุกขหรือทุกจรคือโสกะ ปริเทวะทุกขะโทมนันตุปายาตรวมทั้งอปิยสัมปโยคปิยวิปโยคและอิจิตาลาสสนิพัตธทุกคือทุกหนึ่งนิดหรือทุกเจ้าเรือนได้แก่นหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะสพยาธิทุกขหรือทุกขเวทนาหา สันตาปทุกทุก ค, คือความเร้ารุ่มหรือทุกข์ร้อนได้แก่ความกระวนกระวายใจเพราะไฟกิเลส 6. วิปากะทุกหรือผลกรรมได้แก่วิปติสารการถูกลงอาทยาการตกอบาย 7. สหคะตะทุก์ทุกไปด้วยกันหรือทุก์กํากับกันคือทุกที่พ่วงมากับโลกธรรม ที่เป็นอิทารมเช่นได้ลาบแล้วทุกเพราะระวังรักษา8อาหาระปริเยติทุกข์คือทุกข์ในการหากินได้แก่อาชีวทุกขคือทุกเนื่องด้วยการหาเลี้ยงชีวิตเกวิวาทะมูลกะทุกขคือทุกมีวิวาทเป็นมูลเช่นกลัวแพ้หวั่นหวาดในการรบกันสู้คดีกันสิบ ทุกขกระขันหรือทุกรวบยอดคือโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์อย่างไรก็ดีเรื่องทุกนี้เราสามารถพรรณนาแสดงรายชื่อขยายรายการออกไปได้อีกเป็นนันมากเพราะปัญหาของมนุษย์มีมากมายทั้งทุกข์ที่เป็นสามัญแก่ชีวิตโดยทั่วไปและทุกข์ที่แปลกกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของยุคสมัยถิ่นฐาน และสถานาการณ์แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องบรรยายในที่นี้ให้เย่นเยออเนิ่นนานข้อสาคัญอยู่ที่จะต้องรู้ความุ่งหมายการที่ท่านแสดงชื่อทุกต่างๆไว่มากมายนั้นก็เพื่อให้เรารู้จักมันตามสภาพอันเป็นป ร, ริญญากิจคือรู้จักมันตามที่เป็นจริงเพื่อปฏิบัติต่อทุกนั้นๆอย่างถูกต้องด้วยการยอมรับรู้สู้หน้าสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งตนจะต้องเกี่ยวข้องไม่ใช่เลี่ยงหนีอําพรางปิดตาหลอกตัวเองหรือแม้กระทั่งปลอบใจตนประดุดดังว่าทุกเหล่านั้นไม่มีอยู่หรือตนเองหลีกหลบไปได้แล้วและกลายเป็นสร้างปมปัญหาเสริมทุกให้หนักหนาซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้นแต่เข้าเผชิญหน้าทำความรู้จักแล้วเอาชนะอยู่เหนือมันทำตนให้ปลอดพ้นไดจากทุกเหล่านั้น ปฏิบัติต่อทุก์โดยทางที่จะทำให้ทุกข์ไม่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อย่างโชงคราวจนถึงโดยถาวร